พระธรรมเทศนาแผ่นที่62ลำดับที่11โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดกุฎอนธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่25มีนาคม2557มีชื่อเรื่องว่าสะอาดนอกสะอาดในวันในพระในวัดของเราพระ37รูป สัมมณเณรสี่รูปนาคสองคนพระลงมาฉันย2่สิสองรูปงดฉันสิบห้ารูปดูระบางตาวันนี้พระไม่ฉันไม่ฉันหลายองค์พระไม่ไม่ลงมาฉันสิบห้ารูปวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบห้ามีนาคมพุทธศักราช25งพห้รหาบเจ็ด วันนี้ฝนตกรู้สึกชุ่มเชืญนขึ้นมากตั้งแต่เดือนกุมภากุมภามีนาฝนรู้สึกว่าขาดช่วงไปนานมากเลยฝนปีนี้แต่ตกช่วงนั้นก็นช่วงที่หลวงพ่ออยู่งานประชุมเพลิงของหลวงปู่จามก่อนงานฝนตกประมาณอาทิตย์กว่า ฝนตกแรงจากนั้นก็หายขาดมาถึงที่วัดคือตกเวลาหลวงพ่อไม่อยู่ก็ไม่รู้นะแต่หลวงพ่ออยู่ระ ล, ลึกไม่ได้แล้วว่าฝนตกรู้สึกว่าแห้งแล้งก่อนงานของเราวันที่23ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ น, นั้นก็จะได้เอาน้ำมาลดบริเวณเพราะมันมีฝุน่น แต่พอจะเอาเข้าจริงวันที่ยี่สิบสามจะบรรจุวันที่ยี่สิบสองตอนกลางคืนก็ฝนก็เทลงมาก็ททำให้พื้นดินชุ่มชำํำไม่มีฝุ่นเลยล้างสถานที่เรียบร้อยสะอาดอย่างพวกเราเห็นก็ตอนจะรับบินทบาทก็มีฝนบ้างแต่ก็ชุ่มเย็นทั้งวันวันนั้น พอคนเลิกไปแล้วเนะี่ยวันที่ยี่สิบวันที่ยี่สิบห้านะประมาณตีห้าตีสนะี่ตีห้าฝนก็ตกลงมาอีกหลวงพ่อวันล้างาล้างความส ก, กปรกในบริเวณวัดล้างความให้เป็นให้สะอาดนะโดยมากวัดของเราท่้พวกเราสังเกตสังเกตดูนะถ้ามีงานใหญ่ใหญ่ที่ผ่านมาฝนจะตก ทุกครั้งเลือกบก่อนจะมีงานก็เหมือนกันฝนก็จะตกครั้งหนึ่งเมื่องานเสร็จแล้วฝนจะตกอีก <S <S อทําความสะอาดอีกครั้งหนึ่งดูดูแล้วเทพเจ้าเหล่าเทวาที่วัดของเราเนะี่ยชอบสะอาดนะชอบสะอาดสะอาดสะอาดเพราะนั้นผู้ใดก็ตาม ทำอะไรสกรปรกรกรุงรังไม่สะอาดไม่ได้นะไม่ถูกกับเทวดาไม่ถูกกับเทวดาอารักของวัดเพราะนั้นใครอยู่ที่ใดต้องทำความสะอาดปัดกวาดที่พักพาอาศัยจึงจะร่มเย็นเป็นสุขถ้าหางว่าทำอะไรสกรปรกรกุงรังจิตใจยิ่งเศร้าหมองลงไปเรื่อยสะอาด กายก็คือพื้นที่บริเวณที่พักภาอาศัยที่เราอาศัยอะไรห้องน้ำก็ห้องห้องน้สะอาดที่นอนก็ที่นอนสะอาดเสื้อผ้าก็สะอาดบริเวณวัดก็สะอาดศาลาสะอาดเราไปอยู่ณสถานที่ใดให้มีความสะอาดสะอาดกายสะอาดวาจาจะพูดสิ่งไหนก็ตามต้องคิดสก่รน อย่าไปล้มปากแล้วพูดออกไปเหมือนกับอะไรพ่นอสุภะปฏิกูลออกจากปากตัวเองทําให้คนอื่นเขาเหม็นเดือดร้อนเพราะสิ่งปฏิกูลออกจากปากเราสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องคิดเนี่ยสะอาดวาจาสะอาดกายก็คือที่อยู่อาศัยสะอาดวาจาก็คือคํำพูดต้องสํารวมระวังในคํำพูด สำรวมใจสะอาดใจก็คือนะภาวนาทีนี้ภาวนาคือทำจิตใจให้สงบจิตใจให้เป็นหนึ่งชำระใจของตนเองอย่าให้มีกิเลสราคะโทสะโมหะเข้าสู่จิตใจอันนี้ว่าใจสะอาดใจสะอาดที่มมีหลายขั้นตอนนะใจเป็นศีลเป็นธรรมก็สะอาดในระดับหนึ่งจากนั้นก็จิตใจ มีเมตตาจิตใจมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมเอื้อเฟือ้ออื้ออารีต่อเพื่อนมนุษย์ชาติมีแต่เมตตามิ ต, มตรสัมพสงเคราะห์อันนี้ก็ดใจสะอาดในระดับหนึ่งจากนั้นกิดใจสะอาดในระดับสองก็คือทำจิตใจให้สงบจิตใจให้แน่งมีความสุขนัตติสันติพรังสุขขังความสุข ในการสงบจิตสงบใจเอ่นี้ก็คือการใจสะอาดเริ่มสะอาดไปเรื่อยๆต่อไปกันเนี่ยนะรู้แจง้งเห็นจริงเชื่อกรรำเชื่อผลของกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเชื่อวรรณะกสวรรค์มีจริงเรานั่งภาวนาจิตใจเข้าสู่ความสงบจิต ก, กับกายกายกับจิตรู้ว่าอันไหนกายอันไหนจิตอันไหนจิตอันไหนกาย รู้ด้วยตนเองอันนี้ก็คือเริ่มทำความสะอาดใจเมื่อใจรู้แจ้งเห็นจริงจากนั้นใจก็ได้สาเร็จพระโสดาบันนี่แหละอันนี้เป็นบนรรไดขั้นแรกนะไม่เสื่อมนะทต่อไปตายเต้าขึ้นไปเป็นพระสกทาคามีต่อไปขึ้นอีกเป็นพระอนาคามีต่อไปขึ้นไปก็พระราหารันจบมีอยู่ มักสี่พ้นสี่นิพพ่านหนึ่งไต่เต้าขึ้นไปเรื่อยๆ เ, เหมือนกับเราเรียนหนังสือนั่นแหละตีแรกก็เตรียมพร้อมต่อไปก็ไปโรงเรียน ค, ครูครูพยายามสอนต่อไปก็อ่านออกเขียนได้ต่อไปก็อ่านภาษาต่างประเทศด้วยภาษาไทยด้วยต่อไปก็ขึ้นอ น, นุบาล อนุบาลประชาบาลประถมัธยมปริญญาตรีโทเอกจบพอจบไปยังมาแล้วยังเอาอีกดูอีกทางโลกมันมีหลายหลายเอกนะแต่หลักท้องพุทธศาสนามีเอกเดียวคือพระอรหันต์เอกไม่มีคู่แข่งเอกบริสุทธิ์หลุดพ้นจริงๆนี่แหละอันนี้คือสะอาดใจมันมีสะอาดเป็นเป็นขั้ น, น, ต, อ น, ต, อนตอนนะ วันนั้นเทพเจ้าเราเทวาภุมมะลุขะเทวดาในวัดของเราเนี่ยชอบสะอาดนะคณะสัตย า, า, าญาติโยมลูกลานเสียงไหนที่โสกปรกขยงขยะอะไรก็ตามจะไปทิ้งหมกหมกเขาไว้ในป่าเอาไม่ถังขยะมีอยู่แต่เราไปทิ้งไว้ในป่ากันเนี่ยนะเดี๋ยวเป็นการเพราะยุงเพาะยุงลายให้เกิดอย่างพวกแก้วน้ํอาอ ถ้วยกาแฟเป็นพลาสติกพอกินแล้วก็โยนเข้าป่าเลยกล่องนมพโยนเข้าไปกันนะต่อไปก็พวกยุงไปเพาะไปเกิดในนั้นอ่ะพอน้ํามันขังไงโภช น, นสุขก็มากัดพวกเราโภในสุขก็นั่นแหะพวกเราก็ว่าไข้เลือดออกโภชนสุขก็จะคิดไปฆ่ายุงเลยทีนี้พราะเราไม่ดูแต่ที่แรกเพราะฉะนั้นให้ช่วยๆกันดูทําความสะอาด พวกกะลงกรลาพวกอะไรก็ตามฟ้าใหม่ฝนใหม่อย่างนี้แหละอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกในครัวให้ใส่ใจสักหน่อยพวกกระล า, าพะพ้าวพวกอะไรเอาไว้ที่ไหนควรจะฝังดินควรจะเก็บไว้ที่ไหนก็มีขยะอยู่แล้วเนี่ยพวกรถขยะเข้ามาเก็บที่แล้วเก็บให้เป็นที่เป็นทางทางฝ่ายครัวบาก็เหมือนกันนะแกวข้างข้างทาง ช, ช่วยกันดู ใครเห็นที่ไหนกันนะแต่ว่าถึงยังไงก็ตามนะเวลาเดินชุมช่ำเข้าไปในป่าก็ระวังพวกงูพวกต่อแตนเพราะวัดของเรามันมีเป็นป่าเป็นป่ากับภายในป่ามันมีมากแต่ถึงยังไงก็เราเข้าไปดูทําความสะอาดเก็บรักษาอันนี้คือสะอาดวัดว า, าศาสนาและให้ช่วยๆกันเป็นหูเป็นตาหลายคน ถ้าว่าหลายคนหลายการดูหลายสายตามันก็สะอาดได้เพราะหลายตานะแต่ถ้าหลายคนล้วนแล้วแต่ไม่รักษาความสะอาดแต่รักษามีมแต่ขี้มักง่ายทั้งนั้นมีหลายคนท่าได้กใกล้กินเหนไ้ก็โยนเข้าป่าใครกินเห็นไก็โยนเข้ า, า, าปาหมกเข้าไปเรื่อยถ้าหลายคนเท่าไหร่เกิยิ่งสกปรกมากเพราะคนสกปรกนะถ่าว่าอยู่คนเดียว ถึงยังไงมันก็ไม่สกรปรกมากเพราะคนเดียวนะแต่หลายค น, นหลายโศกกรปรกฮะนี่แหละสิ่งเหล่านี้ฝากไว้กับพวกเราทุกๆคนนะเข้ามาสู่วัดวาศาสนามาสู่วัดสรุปแล้วก็คืออย่างที่หลวงพ่อพูดเนยเห็นไหมเวลาฝนจะมีงา น, นฝนก็ตกเวลางานเสร็จทุกครั้งฝนก็ตกนะะแสดงว่าเทพเจ้าเหล่าเทวาภูมิมลรุขะเทวดาในวัดของพวกเราเนี่ยชอบสะอาดฮนะ เพราะนั้นพวเราเป็นผู้มารักษาศีลมารักษาธรรมก็ให้ช่วยกันดูแลความสะอาดจะเป็นที่พอใจของเทพเจ้าเหล่าเทวาแล้วก็พร้อมกันก็ให้ทั้งอกตั้งใจภาวนาไม่ใช่แต่สำลักกายอย่างเดียวนะไม่สะอาดกายอย่างเดียวนะสะอาดวาจาด้วยการอยู่ด้วยการให้ระมัดระวังคําพูดอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดนะ อยู่กับมิตรให้ระวังวาจาอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดตัวเองอย่าให้มันปุ่งฟุ้งคิดจนเอิบล้เหยลอยลมคิดปุ่งฟุ้งสานไปหมดทั้งหูกทั้งล้านทั้งผีทั้งน้องทั้งวงสาคานายัดที่ไหนนไม่เคยคิดก็คิดมาอยู่ในวัดนะพอมันกินข้าวหลายยุ้งหลายฉางก็เลยคิดกว้างในจั ก, กรวาลนี่นี่แหละจะเอาเป็นของตัวเองทั้งหมด บางทีโมโ ห, โหมากก็โกรธให้ทุกคนทั้งหมดตั้งแต่เนิงมาตั้งแต่เป็นเด็กเล็กๆกน้อยกนเขาม า, ามาผูกพยาบาทอาฆาตโมโหโกธาให้เขาทั้งหมดเพราะบางคนกินข้าหลายยุง่งหลายฉางนะามาอยู่ในวัดอันนี้ประวจิตใจส่งออกนอกจิตใจปุง่งฟุ้งซ่านาไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นควรจะอยู่ในความสงบเรามีหน้าที่อะไร ในขณะนีนะ้นี่แหละอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดให้อยู่กับพุทโธฮะถ้าอย่าไปอยู่คนเดียวปุงฟุ้งซ่านเป็นบาสนีง่ายๆนะอมาคิดว่าจะมาอยู่วัดทั้งที่จะมาประกอบคุณงามความดีกลับมาคิดมาปุงมาฟุง้งมาซ่านคิดอะไรก็ไม่รู้เพื่อเพอจะร้องผมร้องให้จะเป็นบ้าได้อีกต่างหากนะเพราะเหตุอะไรเพราะว่า ไม่ระวังความคิดทานระวังความคิดเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนยังไงให้ดูใจให้ดูเหตุผลให้ภาวนาพุทโธ บ, บังคับมันคิดไปทําไมมันคิดว่ามันจะไม่ตายใช่ไหมอยู่ที่ไหนจะไม่ตายนี่ถ้าตายอยู่ในวัดนี่รือตายอยู่เป็นนักพนตนักบวชตายเป็นเป็นผู้มีสินเนี่ยพระพุทธเจ้าผ่านท่านยกจ้องนะตายในสนามรบตายเป็นผู้ทรงศิน ถ้าว่าตายอยู่ข้างนอกตายด้วยการทำความชั่วกินเหล้าเมาแล้วก็ตายแล้วก็ไปทำความชั่วเสียหายอย่างอื่นแล้วก็ตายอันนั้นมันเป็นว่าตายแบบนั้นตายแบบชั่วแบบเร็วเพราะนั้นตายต้องตายอยู่กับศีลกับธรรมเราอยู่กับศีลกับธรรมแล้วเนี่ยเราต้องคิดให้ดีเนี่ยให้ระวังความคิด ความคิดไหนก็ถามถ้ามันออกนอกรูกนอกท า, ทางใช้ปัญญาตล่อมตีสกัดใช้เหตุผลสกัดอันนี้แปลว่าอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่กับมิตรกับเพื่อนกับฝูงตั้งแต่สองคนขึ้นไปต้องระวังคำพูดต้องระวังวาจาจะพูดอันไหนออกไปต้องคิดก่อนถึงจะรู้จะเห็นขนาดไหนก็ถ้าวันกาลัเทสะยังไม่เพียงพอ เราก็ปิดไว้ในใจซะก่อนมีโอกาสยังค่อยทําความเข้าใจซึ่งกันและกันบางครั้งบางคนนั้นอารมณ์มันบูดอยู่เราก็ไปใส่ไฟในขณะที่อารมณ์เขาบูด น, ะนั่นแหะเกิดเรื่องแล้สิพอเกิดเรื่องไม่ใช่เรื่องเล็กนะเรื่องใหญ่พราะะฉนั้นจริงเหล่านี้ก็ให้ช่วยกันระมัดระวังอยู่คนเดียวอยู่กับสองคนต้องระวังวาจาวาจาในสําคัญนะอืม ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าวาจาถึงโทษประหารก็มีในหลักธรรมแต่ว่าในทางโลกเนะี่ยดูดูแล้วมีหรือเปล่าโทษประหารในวาจาโดยมากมีแต่โทษประหารในการกระทาในหลักธรรมคำสอนของพุทธพระพุทธเจ้าในโทษประหารขาดจากการเป็นพระในการพูดมีนะระมัดระวังเรื่องอะไร ภิกษุอวดอุต ร, ริมนุสธรรมภิกษุอวดอุต ร, ริมนุสธรรมคือทำอันยิ่งของมนุษย์ที่ไม่มีในตนต้องปาลชิกนะ่เขาดจากการเป็นพระนะเพราะพูดอวดอุต ร, ริมนุสธรรมคือว่าข้าเนี่ยเป็นพาาระรหันนะหมดกิเลสแล้วนะอหมดจดแล้วมียานรัชนะอีต่างหากทั้งที่ไม่มีนะขี้อวดเขานะอาพอเขารู้ว่านั่นแหละ ผลที่สุดกับตัวเองขาดจากการเป็นพระเพราะว่าอวดอุตตริมนุษธรรมคือทํามันยิ่งของมนุษย์ที่ไม่มีในตนอะเพราะนั้นเรื่องวาจานั้นไม่ใช่ของเล็กน้อยนะเพราะนั้นให้สํารวมระวังถ้ามันจะเสียหายอย่าพูดที่เลยดีกว่าถ้าพูดออกไปแล้วก็เสียหายทําให้วงการเสียเสียพักเสียพวกเสียหมู่เสียเพื่อนเสียครูบาอาจารย์ เสียวัดวาศาสานาเสียไปมากทีเดียวแต่ต้องคิดซะก่อนแต่คิดดีแล้วพูดออกไปเป็นประโยชน์มีคุณค่ามีประโยชน์ในการแสดงออกในการพูดพระพุทธเจ้าแสดงพระธรรมเทศนาเนี่ยแสดงพระธรรมเทศนาแปดห่นสี่พันพระธรรมขันเอาอะไรกาใช้วาจานพูดแต่ใช้วาจาพูดให้เกิดประโยชน์ถ้าเอา พูดไม่เกิดประโยชน์เสียหายพระพุทธเจ้าพูดตรัสออกไปเกิดประโยชน์เป็นพระธรรมแปดหมสี่พันพระธรร ม, มากัณที่บันทึกมาสั่งสอนพวกเราทุกวันนี่คือพระวาจาของพระพุทธเจ้านั่นเพราะว่าอาจารนยะ์มีทั้งได้มีทั้งเสียนะทั้งกายทั้งวาิจาทั้งใจนะั่นแหะจากใจถ้าใจคิดชั่วแล้วมึง น, น่ากลัวยิ่ยงกว่าอะไรนะเป็นมิจฉาทิฏฐิและน่ากลัวมากนะคิดชั่วทําชั่วเนะี่ยก่ น่ากลัวอีกเหมือนกันคิดจะฆ่าคนคิดจะขโมยคิดจ ะ, ด, จะดื่มสุราเข้าไปขาดสติเข้าไปมากมายไม่เคารพสิทธิสามีภรรยาคนอื่นเขาอย่างนี้อันนี้ก็คือกายกายทำความชั่ววาจาก็อย่างที่ว่านะั่นะนะแต่ถึงยังไงเขาตามทางกายทั้งวาจางนะเป็นลูกน้องของใจนะ ถ้าใจได้เราไ ด, ได้รับการอบรมดีแล้วมีคุณธรรมมีศีลธรรมมีจริยธรรมดีแล้วนะการกระทําออกไปก็จะดีการพูดออกไปก็จะดีเพราะว่าใจของเรามีเหตุผลคือใจพระหันนี่แหละพระหันนะท่านชําระกิเลสใจของท่านบริสุทธิ์แล้วนะถึงจะพูดอย่างไงออกไปก็คือเป็นธรรมทั้งหมดเพราะอะไรเพราะวาจาของพระหันการกระทําของพระหันนะไม่มีพิษมีภัย เพราะใจของท่านเป็นผู้บริสุทธิ์พวกเราไม่ถึงขนาดนั้นแต่ก่อนนั้นเอาศีลเอาธรรมน่ะเขามาวัดเอามาประพฤติปฏิบัติสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายอยู่นสถ า, านที่ใดไปนัตสถานที่ใดมีแต่ความสงบร่มเย็นเป็นถุกตลอดไปไปไหลเพราะว่าเราคิดดีทําออกไปก็ทําดีพูดออกไปก็พูดดีมันออกไปด้วยกัน มโนกรรมกายกรรมว่าจีกรรมอะรับพรอน โ, นโมทนาให้พร